เดือนสิบสองแรมสิบห้าค่ำเป็นวันรักษาอุโบสถของอุาสุบาสิกาเป็นวันฟังธรรมเมื่อได้มาประชุมพร้อมเพียงกันที่ศาลากา ร, รเรียนแล้วกอบให้พึงพากันตั้งสติสำรวมใจ ให้ดีเป็นอุวายวิธีฝึกตนถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ฝึกตนไม่ได้ฝึกตนโดยส่วนรวมการฝึกตนเฉพาะส่วนตัวนี่บางคนก็มีความอ่อนแอไม่เข้มแข็งช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ เหตุนั้นเราจึงต้องมารวมกันเพื่อมาฝึกขนจิตใจหรือฝึกฝึกขนทางร่างกายร่วมกันเพื่อจูงใจของกันและกันให้เข้มแข็งขึ้นในทางปฏิบัติเนื่องจากว่าทุกคนก็รู้ดีทั้งร่างกายทั้งจิตใจ นี่มันมีปัญหาที่เราจะต้องพิสูจน์กันมันมีอุปสรรคเพราะอะไรมันยึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงใจนี่ก็ยังไม่เที่ยงเพราะว่าใจนี่มันยังมีเครื่องผูกมัดรัดลึงอยู่เหตุนั้นมันยึงตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ เมื่อวันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เป็นอย่างนั้นร่างกายนี่เราจะปรับปรุงอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอยู่ได้หรอกแต่ว่าจิตนี่สามารถปรับปรุงให้ตั้งมั่นได้ไม่วันไวไปตามกระแสของโลกสามารถทำได้ มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านทำมาก่อนแล้วดังนั้นเราต้องหมั่นนึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมาเป็นอารมณ์มันจึงมีกําลังใจที่จะฝึกตน <c oughs> บุคคลไม่ฝึกตนก็กิเลสตัณหา จะไม่เหือดแห้งไปจากจิตใจนี้เลยเพราะว่ากิเลสตัณหานี่มันก็มีอิทธิพลไม่ใช่น้อยอถ้าคนไม่มีบุญวาสนาไม่มีปัญญาแก่กล้าพอสมควรนี่กำจัดมันไม่ได้เลย มีตั้งเสร็จตกเป็นธาตุของกิเลสบุคคลผู้ไม่มีบุญนะอมีแต่ผู้มีบุญมากเท่านั้นแหละจึงไม่ตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเพราะกําลังของบุญมันเหนือกิเลสมันก็ทําให้กิเลสนั้นอ่อนกําลังลงไปนี่ให้พึ่งเข้าใจเราต้องสร้างบุญผุชนให้มากๆไปเรื่อยๆ มเมื่อบุญกุศลมีกำลังมากกว่ากำลังของกิเลสตัณหาแล้วอย่างนี้มันก็ยังช่วนะวันนี้นะกิเลสตัณหามันก็รบกวนจิตใจไม่ได้เต็มที่ถึงมันรบกวนก็ไม่รุนแรงอืมจิตใจก็ไม่ทุกข์หลายนี่แหละจึงหลวงความว่า คนเราจะเบาบางจากทุก์ได้หมายเอาดวงขีดนี่แหละมันจะเบาบางจากทุก์ไปได้ก็เพราะอาศัยบุญอ า, าศัยกุศลเป็นเครื่องโยเป็นเกราะป้องกันตัวไม่มีเกราะอันใดที่จะไปยิ่งกว่าบุญและคุณเหล่านี้สำหรับป้องกัน กิเลสตัณหาอาวิชชาความโลภโกรธหลงต่างๆไม่ให้มาครอบงมจิตใจนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอย่างอื่นนะจะไปเรียนวิชาอาคมต่างๆในโลกอันนี้นะเท่าไรก็ไม่มีทางที่จะมาขจัด กิเลสบาปธรรมอันมันหมักรองอยู่ใน จ, จิตใจนี่ได้มีแต่บุญกุศลเท่า น, นั้นนะจะขจัดมันออกได้ก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่นั่นนะแต่มันก็ต้องพูดอีกไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาพูดเพราะถ้าพูดหนีหลักออกไปมันก็ทำให้ผู้ฟังนั่นจับหลักปฏิบัติไม่ได้ อันไปละกิเลสกันิละยังไรอย่างนี้นะทำยังไจรจึงจะละกิเลสได้ระศาตถาก็ทรงชี้บอกไว้แล้วว่าอุบายวิธีละกิเลสนะแต่คนส่วนหลานะั้นไม่ค่อยสนใจนะเช่อนอย่างการให้ทานอย่างนี้นะพระ อ, องค์เจ้าแนะนำบุคคลให้ ยินดีในการบริจาคทานนี่มันก็เป็นอุบายปราบปามความโรคความตณีในสมบัติเข้าของอะไรต่ออะให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนี่แหละก็มันเป็นธรรมดานี่เมื่อบุคคลสละสิ่งของของตนที่มีอยู่นั้นออกให้ทานได้ความโลคความตณีมันก็ระ ง, งับไปตามกันถ้า ถ้าระ ง, งับความโรคความตณีไม่ได้ก็ให้ทานไม่ได้เลยนั่นแหละมันไปพร้อมๆกันนะการละกิเลสประเภทนี้กับการให้ทานมันก็ไปพร้อมๆกันเลยเป็นอย่างนั้นเอา้าวความโกรธเราเอาอะไรมาระ ง, งับมันพระศาสระก็ทรงสอนให้สมทานมั่นในศีล ถ้าบุคคลใดเคารพในศีลจริงๆถาวายชีวิตบูชาต่อศีลจริงๆเช่นนี้มันก็ทำลายความโกรธในหัวใจนี้ให้เบาบางออกไปเรื่อยเพราะว่าถ้าไปโกรธอยู่อย่างนี้ศีลมันจะขาดเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ขาดเด็ดก็เรียกว่าศีลก็เศร้าหมองนี่เขกลัวศีลจะเศร้าหมองก็เลยอดกั้นเนอาอยากโกรธก็ไม่โกรธ อยากทะเลาะวิวาทกับใครก็ไม่ทะเลาะเพราะกลัวศีลจะเศร้าหมองกลัวศีลจะขาดนี่ถ้าเข้ารบต่อศีลย่างจริงนะมันก็ทําให้โทสะพยาบาทในนี้เบาบางออกไปแล้วประกอบกับเจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้นใน จ, ใจิตใจนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เรื่องเมตตากรุณาเนี่ยอันนี้เป็นธรรม สำหรับสนับสนุนศีลให้บริสุทธิ์ใช้มั่นคงถ้าหากว่าไม่เจริญเมตตากรุณาธรรมไม่เกิดขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวความโกรธมันก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วบุคคลจะไปข่มใจละมันมันก็เพียงจะไปซ่อนตัวอยู่เฉยๆนี่แหละมันไม่ได้เบาบาง ออกไปห่างไกลจากกิจใจเท่าไหรนะักขั้นพอเผลอเผลอมันก็โผล่มาอีกเมื่อมีเหตุมากระทบกระทั่งทีนี้ถ้าบุคคลมีธรรมะอยู่ในใจมีเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมอเสมอไปอย่างนี้นะมเมตตาธรรมอนี่แหละวันนี้เป็นเกาะป้องกันเวลามีเรื่องมายั่วให้โกรธกระทบกระทั่งมางนี่ มันก็เป็นเรื่องของบุคคลนั่นแหละไม่ใช่เรื่องดินฟ้าอากาศอะไรจะมายั่วให้คนโกรธบันนี้เมื่อเรามีเมตตาการุณาต่อบุคคลอยู่ในใจเสมอเสมอแล้วทั้งที่เป็นคนดีหรือคนชั่วเราก็ต้องการให้เขาเป็นสุขไม่ปรารถนาให้เป็นทุกข์เลยอย่างนี้นะเรานึกคิดอย่างนี้เสมอเสมอไปพอเมื่อบุคคลเช่นนั้นแหละมาชวนทะเลาะ ว, วิวาสเข้าไปอย่างนี้ มันก็รู้ตัวได้ทันทีไม่แล้วไม่เอาแล้วทะเลาะวิวาทกันไปก็ไม่ได้ดีดดอะไรมีแต่ได้ชั่วมีแต่เป็นบาปอากุศลมีแต่เป็นกรรมเป็นเวรไม่มีดีสักหน่วยเดียวสมมติว่าทะเลาะกันเรามีกำลังเหนือกว่าเขาเราเอาชนะเขาได้อย่างนี้ประชนะได้แต่ร่างกายนั่นแหละ แต่ทีไปเอาชนะใจของขไม่ได้เลยเขาก็ผูกอาคาดไว้แับ น, นี้นเขาพยายามเมื่อตนเผลอเวลาใดเขาได้ช่องเขาก็ตอบเขาก็ตอบแทนทันทีเลยเมื่อเขาเล่นงานกับเราเราก็เล่นงานกับเขาเว้ต่อเว้นแล้วผูกพันกันไปอยู่งั้นไม่รู้จะจบจากสิ้นก็ เป็นเช่นนี้แหละที่บุคคลผู้ไม่มีศีลผู้ไม่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจมันก็มีแต่ใจเหี้ยมโหดสามันไม่ไม่ไม่ยอมให้อภัยแก่ใครเลยอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ต้องได้สร้างกรรมสร้างเวทใส่ตัวเองอยู่ล่ำไปเชนั้นแหละขึ้นชื่อว่าความโกรธนี่น้อยหนึ่งมันก็เป็นพิษ เรื่องมันนี่ยไม่ต้องมากนะน้อยหนึ่งมันก็เป็นเพศอยู่ในจิตใจนั่นแหละแต่ถ้าเผลอๆแล้วมีเชื้อภายนอกมากระทบอย่างรุนแรงแล้วมันน้อยไม่ได้เด้แบบนี้นะมันก็มากขึ้นไปตามกันถ้าบุคคลไม่มีสติยับยั้งใจไว้ น, ะนั่นแหละความโกรธมันก็แก่กล้าขึ้นไป เป็นเหตุให้ได้ทะเลาะวิวาดประหัดประหารซึ่งกันและกันแตกแยกขาดมิตรต่อกันและกันไปหมู่นี้นะแล้วเมื่อเมื่อคนมาใช้ปัญญาพิจารณาไปประกอบไปพอมในนี้มันจะเบื่อหน่ายต่อความโกรธความเครียดแค้นต่างๆนานาหมูนี้เบื่อหน่ายไม่ปรารถนาจะสะสมมันแล้วออเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันจะ ยึดถือไว้ทําไมในใจมันก็คลายทิ้งเนี่ยแต่ส่วนมามันไม่เบื่อหน่ายเรื่องมันนะทั้งที่ความโกรธมันทําพิษให้เดือดร้อนอยู่นั่นแต่มันก็ยังไม่เบื่อหน่ายมันก็ยังยึดยังถือเอาไว้อยู่นั่นเนี่ยคนเรานี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทั้งนี้ก็เพราะมันภาวนาไม่เห็น มันพิจารณาไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นก็เรียกว่าภาวนายังไม่เป็นนะพวกง่ายๆบัดนี้เมื่อภาวนายังไม่เป็นมันก็ขจัดความหลงออกไปไม่ได้มันก็หลงสำคัญผิดไปอยู่อย่างนั้นแหละสำคัญชั่วว่าเป็นดีไปแล้วก็หวงไว้ยึดไว้แล้ว ความโกรธนะ่ะมันเป็นเรื่องชั่วนะแต่ถ้าเสียดายมันก็ไปยึดถือเอามันไว้อย่างนี้นะมันก็เป็นเรื่องความหลงเลอท่านผู้ภาวนาเป็นนะ่ะทําใจให้สงบระงับลงไปด้วยดีแล้วอย่างนี้ก็มาใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาเหตุผลแห่งความโกรธอันนี้ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจได้จริงๆแล้วมันก็เบื่อน่าไนะอ้ เมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความยึดความถือไปเรื่อยมันก็เบาไปเรื่อยเมื่อมันเบาไปองมาเข้าไปแล้วมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่ค่อยโกรธแบบนี้ไม่ค่อยฉุนเฉียวมันเป็นอย่างนั้นเรื่องความโกรธนี้นมันมีอยู่ทุกคนเนี่ยดังนั้นให้พากันตื่นตัวอย่าไปนึกว่าโกรธเล็กๆหน่อยน้อยนี่ไม่เป็นไรหรอก เป็นธรรมดาส่วนมากมันก็ว่าอย่างนั้นแหละก็เป็นธรรมดาไปแต่แล้วมันไม่น้อยนะวะเนี่ยเมื่อเวลามันมีเชื่อมากๆเข้ามาแล้วมันก็โกรธรุนแรงขึ้นไปเลยกลายเป็นเหตุให้ผู้นั้นทําความชั่วเพราะความโกรธนี้ไปอืมันเป็นอย่างนั้น<ม>เรื่องของกิเลสนี่มันมันไม่มี เวทมนตร์กลคนาถาไม่มีอำนาจบัดใหญ่อะไรในโลกนี้จะมากำจัดกิเลสนี่ออกจากจิตใจของคนเรานี่ได้มีแต่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เท่านี้เลยเพราะองค์ทรงสแสดงข้อปฏิบัติไว้อย่างนี้นะก็ขอให้พากันทำความยินดีน้อมรับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไปประพฤติปฏิบัติตาม นอกจากสินห้าแล้วมันก็มีสินอุโบสถสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสูงขึ้นไปโดยลำดับตามเพศตามภูมิอาศสินแปดเป็นนี่จะสินก็เพศนุ่งขาวห่มขาวก็เหมาะสมแหละที่จะต้องรักษาสินแปดข้อนี่ให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์นะแต่ถ้าใครยัง ละความโกรธไม่ได้จะให้สินนี่มันบริสุทธิ์พุดผ่องไม่ได้เลยอมันต้องหัวหมองไปก่อนมันเป็นอย่างนั้นเราต้องระวังให้มากเรื่องความโกรธแล้วนะแม้ว่าเราละเราละมันให้มันอ่อนกำลังลงไปแล้วก็ตามนะก็อย่าไปนอนใจนึกว่ามันจะไม่ทำอันตรายต่อเรา อีกแล้วอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อมันมีเชื้อมาแล้วมันก็มีกำลังขึ้ น, นแต่เมื่อมันยังไม่มีเชื้อนี่มันมันก็มีกำลังน้อยไม่สามารถจะทำพิษต่อจิตใจได้ก่อนต่อเมื่อมันมีอนิจจารม์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจต่างๆกระทบกระทั่งมาแล้ววะนี้เอาละมันได้ท่าแล้ว มันก็ลุกเหือขึ้นมาอีกอย่างนี้ทำให้ผู้นั้นเสียผู้เสียคนไปก็มีมากมายทีเดียวนดังนั้นการภาวนานี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราผู้เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขและอย่างนี้มันต้องภาวนา ภาวนานี่ผู้โ ก, กงๆก็นเลยว่าเป็นอุบายฝึ ก, กจิตนี่โดยตรงเลยเมื่อเมื่อฝึกได้พอสมควรแล้วก็เอารักษาวะนี่รักษาจิตที่ฝึกให้ดีพอสมควรนั้นไว้ถ้าไม่รักษามันก็เอาอีกแล้ววกไปหากิเลส ข, ของเก่านั้นอีกแล้วเพราะมันยังละ ก, กิเลสไม่ขาดเพียงแต่ฝึกให้มันสงบลงชั่วคราวอย่างนี้นะ เท่านี้นี่อย่าไปไว้ใจไว้ใจไม่ได้ต้องมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังเรื่อยไปถ้าไม่เผลอแล้วมันก็จะไม่สร้างกิเลส ข, ขึ้นในใจนี่เรื่องมั น, นก็จะมีแต่ธรรมะอยู่ในใจมีแต่บุญแต่คุณตั้งมั่นอยู่ในใจนี่ <c oughs> ก็เป็นคนใจดีอยู่ตลอดย4บสี่ชั่วโมง อันข้อนี้นะมันเป็นเรื่องรู้ด้วยตนเองนะคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เลยตอนปฏิบรรมมัติทำมาตนก็รู้ว่าจิตของตอนเป็นปกติหรือไม่ปกติมันก็รู้เองแหละเรื่องมันนะมเมื่อรู้ว่ามันยังไม่ปกติดีอย่างนี้ก็ก็ต้องพยายามเลยพยายามฝึกให้มันเป็นปกติเข้าไป อย่าไปทอดธุระอันบางคนมันเมื่อฝึกเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วเห็นว่ามันไม่ปกติให้ได้มันไม่ส ง, งบมันมีแต่ชอบอยากคิดใส่ไปใส่มาล้วท่อใจท่อใจแล้วก็เลยไม่ไม่ทำความเพียรไม่สะกดจิตตัวเอง้ําเลยนั่งภาวนาอยู่ก็ปล่อยให้มันคิดสร้างวิมานบนอากาศไปอยู่นั้น มันก็สบายนั่นแหละเมื่อปล่อยให้มันคิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆนั้นนะแต่มันทักสบายไปชั่วคราวหนึ่งเรืองมันนะคันพอกิเลสบางอย่างมันกำลเริ่มขึ้นในใจแล้วมันไม่สบายแล้ววันนี้นะเพราะมันมันไม่มีปัญญาไม่มีอุบายจะละ ก, กิเลสอันนั้นนะได้เนื่องจากว่าปล่อยใจให้หลงให้เมาไปในอารมณ์ต่างๆ อยู่เสมอมานี่มันเป็นอย่างนี้อันคนเราทำไมภาวนามันจึงไม่สงบมันจะสงบได้ยังไงอ่สติมันอ่อนแอเวลานั่งภาวนาไปอย่างนี้จิตมันคิดส่งไปก็ปล่อยมันส่งไปอย่างนั้นไม่สะกดมันไว้ไม่ห้ามมันไว้แล้วอย่างนี้จะให้มันสงบได้ยังไงนี่ ที่มันจะสงบได้นะเราทั้งสติก็ห้ามจิตไม่ให้คิดทั้งทันติความอดความทนก็อดประกอบเข้าไปด้วยเช่นนี้น่ะ ม, มัมนจึงสงบลงได้ือถ้าไม่อดไม่ทนไม่คมจิตนั่นไรอย่างนี้มันไม่มีทางมันจะสงบลงได้อือ เหมือนอย่างโวควายท่าล่า ม, มันไว้เชือกขาดแล้วอยู่างไมันก็ลงนาเลยมันก็ไปกินข้าวอย่างงั้นแหละถ้าเชือกมันมั่นเหนียวดีควายมันดันอย่างไรมันก็ไม่ขาดมันก็อยู่ควายนะั่นนะมันก็ไปกินข้าวในนาของคนไม่ได้ มันก็กินวนเวียนอยู่แต่ในบริเวณที่ผูกไว้นั่นเองนะอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยจิตนี้เมื่อเรามีสติมีขันติควบคุมอยู่แล้วอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะคิดอย่างนี้มันก็คิดอยู่ในธรรมะ ก, กว่านี้นะคิดอยู่ในแนวสติปฐานสี่นี่ต้องให้มันคิดอยู่ในแนวสติปฐานสี ถ้าว่ามันทนไม่ไหวมันจะคิดจริงๆนะถ้ามันคิดถึงร่างกายนี้นเพ่งดูร่างกายนี้เริ่มจต่ผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปเรื่อยๆเอาชอบคิดก็คิดดูสินีนะ่คิดเพ่งดูร่างกายอันนี้ให้มันเห็นแจมแจ้งด้วยอุปขหานิมิต พอเราเพ่งเข้ามาภายในนี้แล้วมันนักเห็นเนี่ยถ้าหากว่าจิตมันตั้งมั่นลงไปเนี่ยเห็นเห็นโครงกระดูกเห็นว่าเมื่อจิตวิ ญ, ญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะถ้าปล่อยทิ้งไว้บนพื้นดินนี่มันก็จะเน่าจะเปื่อยเนื้อนังมังสาอะไรต่ อ, อะไรก็เปื่อยเน่าผุพังไปเป็นดินเป็นน้ำไป ในที่สุดก็เหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นเองร่างกายอันเนี้ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยเรเพ่งดูร่างกายอันนี้ไปเออร่างกายนี้เป็นอย่างนี้หนอผลสุดท้ายถ้าหากว่าเอาไฟเผาก็เป็นเท่าเป็นฐานไปเหลือแต่กระดูก อ, อมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละท่าที่ล่วงมาแล้วคนที่ตายมาแล้วเราก็รู้เราก็เห็นกันอยู่ แต่แล้วเมื่อเราไม่เพ่งดูภายในใจตัวเองไม่เอาใจเพ่งดูร่างกายนี่จริงๆมันถ้าไม่ยอมเบื่อไม่ยอมไหนมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอา้าเพ่งกายแล้วก็เพ่งเวทนาเพราะเวทนานี่มันก็มีทุกคนอันร่างกายนี่ถ้ามันไม่ปกติแล้วมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี่มันก็เกิดทุกขเวทนา บางทีก็ร้อนมากบางทีก็หนาวมากบางทีก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อยู่อย่างนั้นนะแล้วจิตใจมันวุ่นวายฟุ้งซ่านก็เพราะรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันกับทุกขเวทนานี่เองนะดังนั้นเมื่อเวลาปกตินี่เราก็ต้องเพ่งดูเวทนาสามนั้นให้มันแจ่มแจ้งในใจ ลักษณะของทุกขเวทนาเป็นอย่างไรก็รู้อ่านให้รู้ในใจลักษณะของทุกขเวทนามันเป็นอย่างไรก็เพ่งดูให้รู้ลักษณะของอเวขาเวทนามันเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องเพ่งพิสูจน์ดูทุกขเวทนาแปลว่าจิตสวยอารมณ์อันเป็นทุกข อารมณ์สวยอารมณ์อันไม่เที่ยงอันแปรปรวนนั่นแหละจิตนี้มันจึงได้วันไหวไปมาหาความสงบไม่ได้ก็เลยกลายเป็นทุกข์ไปอะมันเป็นอย่างนั้นอ่เพ่งดูจิตนี้อีกอจิตนี่มันเป็นตัวตนของเราจริงหรืออย่างนี้น ะ, ะเมื่อเพ่งดูลำไม่ไม่มีตัวตนเราเขา อ, อยู่ที่ไหนเลย มีแต่ท่านรู้เท่านั้นเองไม่มีของเราจิตนี่ก็ไม่ใช่ของเราเนี่ต้องเข้าใจให้มันชัดก็เมื่อเมื่อรู้ว่าจิตไม่ใช่ของเราแล้วนี่มันมันจะไปเอาอะไรมาโลภมาโกรธมาหลงอยู่นั่นวันนี้อืโลภเพื่อใครโกรธเพื่อใครหลงเพื่อใครเมื่อย้อนถามตัวเองดูว่าไม่ใช่เพื่อใครทั้งหมด เพราะไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้าไม่เพ่งพิจารณาให้เห็นจิตเป็นของว่างจากตัดจากบุคคลอย่างนี้มันก็เพื่อจิตนั่นแหละวะ น, นี้โลกมาได้อะไรมาก็เพื่อให้จิตมันหายยากเมื่อได้ ม, มากๆเข้ามาแล้วมันจะหายยากหายหิวเหมือนว่าเอ้าโกรธเมื่อได้โกรธให้ใครตัวใคร ม, มากๆแล้วมันจะสบายใจ ถ้ามันโกรธมาแล้วไม่ได้ด่าคนไม่ได้ตีคนอย่างนี้มันไม่สบายใจเลยมันไม่หายโกรธน่นนหะี่มันเดินทางผิดอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันหลงมันเมามาแล้วไม่ได้เพลิดเพลินไม่ได้หัวใจจะวายตายอะ ต, ต้องเลินฟอนรําขับล้องดีตี ต, ตีเป่าไปออ เล่นสนุกสนานต่างๆนานาไปอย่างนี้ถือว่ามีความสบายดีคนน่ะนั่นแหละมันความเข้าใจผิดไปมันหลงอ่ะมันหลงจิตใจตัวเองเช่นนั้นแหละทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ให้เด็สบายใจคนน่ะเพราะใจมันหิวอารมณ์มันอยากสัมผัสกับอารมณ์ ต่างๆภายนอกนั่นที่โลกเขาประดิษฐ์ปอดอยขึ้นมานี่นะก็เพื่อจิตตรงเดียวทั้งนั้นเลยอะมันเพลินมันเมากันอยู่นะะั่นนะวันนี้เมื่อเราเพ่งดูจิตนี่นะเห็นว่าจิตนี้ก็สักว่าแตจิตไม่ใช่เราเขาตัวตนอะไรเจ้านี่เรามันก็หายอยากเลยบันนี้หายอยากเพลินอยากเมาไปในสิ่งต่างๆที่โลกหมู่มนุษย์สมมุติกันขึ้นมาเอง มันก็ไม่ต้องการแล้วแบบนี้ต้องการอะไรอะไรก็ไม่ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรแม้แต่จิตผู้รับรู้เรื่องต่างๆของโลกอันนี้นะมันก็ไม่ใช่ของเราอีกนี่ไม่ใช่ตัวตนอะไรอารมณ์ต่างๆที่จิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาโมนี่เมื่อจิตไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วอารมณ์ของจิตมันก็ไม่ใช่เราใช่เขาเหมือนกันเราต้องเพ่งพินิดดูให้จนรู้อย่างนี้แล้ว แม่ว่าตนคิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ยึดไม่ถือแล้วแบบนี้น ะ, ะคิดบางอย่างมันคิดทำให้เกิดความเสียใจเศร้าโศกรับแค้นใจอะไรขึ้นมาอย่างนี้น ะ, ะเมื่อมันพิจารณาลงไปได้แล้วว่าก็จะไปเศร้าโศกอะไรจะไปคิดปรุงแต่งให้มันเดือดเสียเวลาทำไมเพราะอะไรก็ไม่ใช่ของเราจิตแท้ๆยังไม่ใช่ของเราแล้วความคิดมันจะเป็นของเรามาแต่ไหน พิจารณาดูอย่างนี้แล้วบางขอวงก็วางได้เลยวบบนี้นะออนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการที่บุคคลเรานะมาอ่านดูชีวิตของตัวเองให้ออกอย่างว่ามาแล้วนี่นะมันก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขสบายไม่หนักใจไม่เดือดร้อนใจแต่ละวันแต่ละคืน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุมากผลทำมาวิเศษอย่างนี้มันก็อยู่ไปสบายได้ถ้าหากว่ามันเจริญสติอยู่อย่างว่านี้นะมันได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสนาการเพ่งพิจารณาอย่างว่านี้นะเมื่อเพ่งเข้าไปภายในไม่ถอยจิตหยุดอยู่ มันก็มองเห็นร่างกายนี้ได้มาเนี่ยการพิจารณาแยกแยกร่างกายนี้ออกให้เห็นตามเป็นจริงแล้วลงวางไว้ตามสภาพภาพอย่างนี้มันก็เป็นปัญญามาเนี่เป็นวิปทานาเป็นอย่างนั้นนลยไม่ใช่เป็นของลี้ลับจนว่าไม่สามารถที่จะทําในใจได้จนว่าไม่สามารถที่จะเพ่งดูได้ แต่ถ้าหากว่าทําใจให้อ่อนแอทําสติให้อ่อนแอแล้วนะมันไม่ได้จริงๆนะต้องเข้มแข็งทุกอย่างมันจึงค่อยได้เรื่องมันนะต้องเอาทุกเป็นทุนแหละทําความดีทุกอย่างถ้าผู้ใด ไ, ไม่ยอมเอาทุกเป็นทุนแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่าก็ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละ เอาพระพุทธเจ้านะนะั่นแหละมาเป็นตัวอย่างนะพระองค์เสร็จออกบวชแสวงหาทางศัตรูสัมมาสัมโพธิญาณก็ทรงเอาทุกเป็นทุนหมุนเวียนข้อวัดปฏิบัติไปอยู่อย่างนั้นทำความเพียรไม่หยุดไม่ยัง้งทำอย่างไรก็สำเร็จไม่ได้วันนี้เอ๊ ชลอยว่ามันจะเกี่ยวกับฉันอาหารมากนี่กระมังมันอาหารมันทับทาดมันไม่เกิดปัญญาอา้าวเมื่อพระ อ, องค์ระลึกได้อย่างนี้ก็ผอนอาหารลงไปผ่อนลงไปอา้าวผ่อนอาหารลงไปทํำก็เพียนไปมันก็ไม่ได้บรรลุตามประสงค์อา้าวผอนลงไปจนว่ายังเหลือเท่ า, มาเมล็ดงา ก็ไม่ได้บรรลุมากผลในที่สุดจนว่ากั้นลมหายใจก็ไม่ได้บรรลุมากผลเออก็จึงมีนิมิตมาบอกให้ดําเนินทางสายกลางถ้าขืนทําอย่างนี้ไปแล้วก็ชีวิตก็ไม่มีแล้วออมันจะม้อยมวนไปแล้วพระองค์เห็นนิมิตอันนั้นแล้วก็รู้ได้เออทางศัตรูนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่การทรมาร์ทรมานร่างกายเกินขอบเขตอย่างนี้ไม่ใช่ทางสัตรูแล้วอย่างนั้นพระองค์ก็ได้มาฉันพัตตาหารทีละน้อยละน้อยบำรุงร่างกายนี้ให้มีกำลังเป็นปกติเสียแล้วก็จึงมาดำเนินทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางบนันเนอ เดินพอประมาณยืนพอประมาณนั่งพอประมาณนอนพอประมาณพูดพอประมาณทำการงานอะไรก็ให้พอประมาณพอดีพอดีอย่างนี้แหละเดียววันนี้การที่ใช้ความคิดความนึกไปในเรื่อ ง, งต่างๆก็พอประมาณคิดอย่างเป็นผู้มีสติ เรื่องใดที่ไม่ควรคิดไม่คิดเลยคิดก็คิดอยู่ในสติปัฏฐานสี่อย่างว่านี่เนี่ยพระองค์เจ้าก็ทรงคิดอยู่ในนี้ในที่สุดพระองค์ก็ได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลกนี่พระองค์ก็เอาทุกเป็นทุนมาอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนี่พวกเราที่เป็นสาวกของพระองค์เป็นบริษัทของพระองค์ ก็ต้องดําเนินตามทางที่พระองค์เจ้าได้ทรงทำ ม, มาแล้วนั่นนะเราก็เลือกเลยทางใดที่องค์เจ้าห้ามไม่ให้เดินเรก็ไม่เดินเช่นอย่างอัตตะกิลมัฐานุโยกการทรมานตนให้เหนยเปล่าเนี่ยอะไรทรมานตนแบบไม่มีปัญญาอทำแบบไม่ใช่ดุลยพินิษ คิดได้อย่างไรก็ว่ากันไปแต่นี่เมื่อมันไม่ถูกทางมันก็ทำอย่างไรมันก็สำเร็จไม่ได้นี่แหละดังนั้นเราต้องพยายามพยายามบําเพ็ญให้เป็นตามทางมัชฌิมาปฏิปทาให้ได้เอาถ้าถาเว้นจากการบารําเพ็ญอัตตะธีรมาานุโยก การทรมานตนให้ลำบากากากกรรมแล้ววันนี้เาก็มาเว้นทางแห่งความสนุกสนานเพลิดเพลินในกา ร, รมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆเนี่ยมาสํารวมจิตใจมาให้เพลินไปตามอย่างนี้แล้ว ก็ได้ชื่อว่าไม่ปล่อยจิตของตนให้ไปผูกพันอยู่ในกามคุณกามแปลว่าความใคร่ความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อเว้นทางสองสายนี่เสร็จแล้วอา้าจิตนี่มันก็เป็นกลางอยู่ได้สิบะนี้นะไม่หลงรัก ในสิ่งที่โลกเขาสมมติว่าน่ารักไม่หงเกลียดหลงชังในสิ่งที่โลกเขาสมมติว่าน่าเกลียดน่าชังการทรมานร่างกายเกินขอบเขตนี่มันก็เอียงไปข้างแห่งความชังคือว่าเกลียดชังร่างกายอันนี้เพราะมีร่างกายอันนี้นะมันจึงมีทุกข์มันจึงหลงมันจึงเมา คิดได้อย่างนี้นะก็พยายามทรมานร่างกายนี่ให้มันแตกมันทําลายไปเสียแล้วเราจะได้เป็นสุขไอ้พวกฤาษีจีภยัยแต่ก่อนนั้นนะมันเห็นกันอย่างเนี้ยมันจึงได้ทรมานร่างกายเอาจนล้มจนตายเพราะการทรมานนั้นอตายแล้วก็ไม่ได้บรรลุมรรผลอะไรเลยเอพระพุทธ เ, เจ้าก็ ได้เห็นแบบอย่างของพวกฤาษีนั่นเลยมาทดลองทำดูเมื่อทำดูแล้วก็ไม่ได้ตัดสรู้เลยอันเป็นงั้นเดี๋ยวเมื่อพระองค์ตัดสรู้ด้วยทางสายกลางอย่างว่านี้แล้วก็จึงมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายทราบว่าทางสองสายนั้นนะไม่ควรดําเนินไม่เป็นทางตัดสรู้มาผลธรรมวิเศษอะไร พูดสั้นๆว่าทางแห่งความรักทางแห่งความชังนั้นอย่าไปเดินคือหมายความว่าอย่าคิดไปในเรื่องรักเรื่องชังคำว่าเดินในที่นี้น <S <S คิดอะไรก็ต้องให้มีตรายลักษณะนานประกอบไปด้วย <S <S เพราะว่าสิ่งที่ใจมันคิดอยู่นี่นะ มันก็ร่วงแต่ไม่เพี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ในตัวของมันเสร็จเลยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าว่าเราเพ่งดูอันในดก็ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในวัตถุอันนั้นพร้อมกันเลยเช่นเพ่งดูร่างกายอย่างนี้ก็ให้เห็นลักษณะสามอย่างนั้นปรากฏในจิตใจทันทีเลย <c oughs> หรือว่าเพ่งดูวัตถุภายนอก เงินทองเข้าของอะไรต้องอะไรในโลกอันนี้นะมันก็มีลักษณะสามประการนั่นอยู่ในตัวนั่นของมันเสร็จเลยแต่ว่าจิตใจของคนผู้ไม่ได้เจริญสมถาอิพัสนานี่มันไม่ยอมที่จะเห็นไตรลักษ์เลยมันมีแต่ ส, สาคัญไปว่าสิ่งนั้นเราต้องการสิ่งนี้เราอยากได้เอามาใช้มาสอยมาบริโภค เพียงเท่านั้นแหละมันหาได้คิดไม่ทบทวนไม่ว่าของเหล่านั้นนะล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ได้ทบทวนกันหรอกมีแต่ต้องการเอามาบริโภคใช้สอยให้ยิ่มน้ำสำลานให้สนุกสนานเท่านั้นเลยมีร่างกายสังขารอันนี้อยู่ก็ไม่ยอมพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์อย่างที่ว่านั้นกลัวว่าความสนุกสนานมันจะหายไป เออมันก็เป็นความจริงถ้าผู้ใดเพ่งพิจารณาเห็นร่างกายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วอย่างนี้มันจะไม่เพลินเนี่ยค่ะนี่นะเอความเพลินความเมาในความรักความใคร่ต่างๆมันก็เบาวางลงไอ้ผู้ที่ชอบใจกับความรักความใคร่อยู่นั้นนะมันจะไม่ยอมพิจารณาเลยนี่มันมันบกพร่องอยู่ตรงนี้บรรดาชาวพุทธทั้งหลายเนะ่ย มันบกคล้องอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นจึงคุยเขียขึ้นมาสู่กันฟังเพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายได้น้องเอาไปคิดไปพิจารณาอย่าเพิ่งตีตนตายก่อนใครมันไม่สมควรเลยท่านพอได้ฟังธรรมะที่ท่านแสดงไปในทางที่เป็นไปเพื่อความหลุดความพ้นจากทุกข์ภายในสงสารอย่างนี้เรา พอใจแล้วไม่ไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามแล้วเพราะว่ามันยังอะไรในสิ่งที่ตนรักตนชอบใจอยู่ในโลกอันนี้เรื่องมันนะ่มันจึงไม่พอใจที่จะน้อมสติเข้ามาเพ่งจิตให้สงบเอาจิตที่สงบนั้นเพ่งดูร่างกายสังขารทั้งภายในทั้งภายนอกนะ มันไม่ยอมเพ่งไม่ยอมพิจารณาคนส่วนมากเนะี่อ ม, มีแต่ว่า เ, เรามันภาวนาไม่เป็นหรอกเรามันยังพอใจอยู่ในโลกอันนี้อยู่ยังชอบความสนุกสนานอยู่ถ้าอย่างเช่นเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้เรายังรักสวยรักงามอยูอ่จะมาพิจารณาร่างกายอย่างที่พระท่านสอนนั่นนะ มันก็จะจืดจะชืดไปหมดความรักความใคร่ต่างๆหมู่เนี้ยเมื่อมันเห็นไปอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ใส่ใจเลยไม่สนใจที่จะพิจารณาเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ที่มีกิเลสตัณหาหนาแ น, น่นอยู่ในใจมากมายอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปทําผิดศีลผิดธรรมเข้าไปถึงกับ ทุกค่าตายไปเยอะแยะตายเพราะความรักความใครน่นี่มีมากมายในโลกอันนี้นะแย่งของรักต่อกันและกันผู้ใดไวมือก่อนกับผู้นั้นลงมือเอาทหารอีกฝ่ายหนึ่งให้ตายลงไปนีอยู่บ่อยๆเลยทีเดียวเนี่ยปันนั้นมันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานอยู่จนดตนก็ตายลงไปอย่างนั้น แม้ตายลงไปแล้วมันก็ยังไปเพลินอยู่ในเมืองผีนู่นอออย่าว่าเลยจะมาเพลินอยู่แต่ในเมืองมนุษย์อกิเลสอันนี้มันไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนี่นก้มเพลินเละพอมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกมันก็มาเพลินอีกเพราะมันไม่ยอมละแม้แต่น้อยเดียวไม่ยอมเบื่อน่ายถ้าว่าผู้ใดได้ฟังคําสอน ของพระพุทธเจ้าแล้วนะก็พยายามเพ่งพิจารณาตามที่พระท่านแนะนำตักเตือนเข้าไปแล้วอย่างนี้พอเห็นความจริงของร่างกายอย่างว่ามาแล้วนะั้นนะมันก็จะทำกิเลสราคะตัณหาอันจะพาให้ไปทำบาป ท, ทำกรรมอันนั้นนะเบาบางออกไปจากกิจใจอืม เมื่อกิเลสอันนั้นเบาบางออกไปจากกิจใจแล้วมันก็ไม่ได้ทําความชั่วเช่นมันก็ไม่ได้ไปแย่งเอาลูกเอาเมียเอาผัวของใครมาด้วยความรักความใคร่อ่ซึ่งมันเป็นบาปเป็นโทษนั้นก็จะอินดีอยู่แต่ในสามีภรรยาของตนเท่านั้นนี่นะการภาวนานี่มันก็มีหลายขั้นตอนนะเอาผู้ที่ยังละความรักความใคร่ยังไม่ได้ก็ ขอให้รักไปเถิดแต่ว่าให้รักอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่าให้มันเลยกรอบแห่งศีลแห่งธรรมไปมันก็ยังชั่วน้อยอมเมื่อบุคคนสัมรวมอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมแล้วมันก็ได้บำเพ็ญบุญบา ร, รมีได้สั่งสมบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นใน จ, ใจิตใจเรื่อยไป ถ้าบุคคลใดยังไปปล่อยใจให้เอียงไปข้างรักข้างชังอยู่มากๆอย่างนั้นแล้วไม่มีทางหรอกมันจะได้มาสร้างบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี่พระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสไว้ว่าตัณหาหนึ่งมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งกิเลสสามอย่างนี้แหละทำให้สัตว์เนิ่นช้า หมายความว่าทำให้ทําให้สัตว์นานทนทุกข์ให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสนันนิบาตอันนี้ดีไม่ดีก็ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอาปาญภูมินุ่นมันเป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ตกเป็นทาสแห่งความอยากแห่งความรักความใคร่เกินขอบเขตหนึ่งแล้วก็ บุคคลมาถือตัวถือตอนว่าตนเป็นผู้วิเศษวิโสตนเป็นผู้มีสติปัญญาเหนือคนบ่ตนมีกำลังกายดีกว่าคนอื่นแข็งแรงกว่าคนอื่นตนมีรูปสวยรูปงามกว่าคนอื่นตนมีทรัพย์สมบัติมากกว่าคนอื่นตนเกิดในตระกูลสูงถ้าท่านไปยึดถือเอาเรื่องว่นี้ มาไว้ในใจแล้วมันก็ใจก็แข็งกระด้างอันนี้ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครอะ่ะไม่ยอมกราบยอมไหว้ใครเลยเพราะมันสําคัญว่าตนดีนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ได้ทําบุญกุศลทําความดีอะไรออมัวแต่ถือตัวว่าตนเป็นผู้วิเศษอยู่อย่างนั้นที่จริงอันสิ่งที่ตนสําคัญว่าเป็นของตนนั้นมันหาเป็นของตนไม่แบบนี้นะ มันถึงเวลามันก็วิบัตแิแปรปวนแตกดับทำลายไปแม้แต่ร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ถึงเวลามันแล้วมันก็แตกดับทำลายไปนั่นเรียกว่าถือตัวด้วยอนานาจแห่งอวิชชาโมหะถือแบบไม่รู้ถืออย่างที่คนไม่รู้ถ้าว่าถืออย่างผู้รู้ผู้ฉลาดแล้วท่านจะไม่ถือแบบนั้นวันนี้ ก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายไม่เที่ยงบ้า น, นีแต่ว่าเมื่อตอนยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มกัทนุบำรุงร่างกายอันนี้ไว้ให้มันมีกําลังตามสมหาสมควรแล้วก็ใช้กายวาจานี่ทำความดีไปฝึกตนไปอาศัยร่างกายสังขารทุกส่วนนี่แหละเมื่อ ธนุบำรุงมันให้เป็นปกติอยู่ได้จิตใจนี่ก็สบายมบบนี้เนี่ยอาศัยร่างกายอันนี้แล้วก็มาทําสมาธิภาวนาอืให้เกิดให้มีขึ้นในตนเพราะบุคคลผู้มีร่างกายอันสมบูรณ์เนี่ยโรคภัยไม่ค่อยเบียดเบียนอย่างนี้นี่ร่างกายนี้มันก็เป็นปกติมันไม่ปวนปั่นกระทุกระทั่งกับจิตอย่างรุนแรง ดังนั้นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปลมหายใจเข้าออกนี่ก็เดินคล่องแคล่วดีไม่ได้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาขัดขวางเมื่อเป็นเช่นนี้โน้มใจลงสู่ความสงบมันก็สงบลงได้ไวแบบนี้นะเพราะมันไม่มีสิ่งที่มากระทบกระทั่งให้เกิดความรู้สึกขึ้นอย่างรุนแรงนี่ อันผู้มีปัญญาทนุถนอมร่างกายอันนี้ไว้เพื่อบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อฝึกจิตนี่ให้สงบให้สะอาดให้บริสุทธิ์เอเพื่ออบรมจิตนี้ให้เกิดปัญญาเมื่อจิตนี้ผ่องใสสะอาดเข้าไปแล้วมันก็ปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจ เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรปล่อยวางไม่ควรยึดควรถือเอาไว้ถ้าขืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์มากมั น, มนรู้ด้วยปัญญาแบบนี้น ะ, ะนเบ่งันอะไรที่ควรปล่อยควรวางก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละร่างกายทุกส่วน ไม่ควรสำคัญว่าเป็นตัวตนเราเขานามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดความจำความหมายอะไรภายในจิตใจอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับไปไม่ควรยึดถือไม่ควรยินดียินร้ายไปตามความคิดความจำความหมายความรู้สึกต่างๆหมเนี้ย่าอืม ก็เพ่งพิจารณาดูความคิดก็สัสแต่ว่าความคิดความรูいい้ก็สักแต่ว่าความรู้ความจําความหมายก็สัสแต่ว่าความจําความหมายเพ่งดูดีๆแล้วไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในนั้นเลยอมีแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นไออาการของจิตนี่ท่านกล่าวว่าเรียกว่าอาการของจิตแหละ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆหัวนี้นะนำมาทำเหล่านี้เป็นอาการของจิตถ้าไม่มีจิตดวงนี้นามาทำสี่ประการนี้ก็ไม่มีหรือถ้าไม่มีกายกับจิตนี่กระทบกันอยู่อย่างนี้นะนำมาทำสี่นี้ก็ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นให้พึ่งเข้าใจกัน เมื่อเมื่อมีกายกับจิตนี่รวมกันอยู่อย่างนี้ล่ะมันก็จึงเกิดเป็นนามธรรมขึ้นที่นี่เมื่อรูปแตกเอานามธรรมนี่ก็ดับไปอย่างนี้แหละนามธรรมนี่ก็ดับไปก็เหลือแต่จิตเท่านั้นแหละแบบนี้นะออรูปร่างกายอันนี้มันก็สลายออกไปเป็นดินเป็นน้ําไปตาม ผ่าดนั้นนั้นไปเท่านั้นเองอมืม่อก็เหลือแต่จิตจิตนี้เมื่อไปยึดถือในสิ่งที่เป็นบาปอากุศลไว้บาปอากุศลก็ น, นำไปสู่ทุกข์เมื่อจิตนี้ไปยึดถือเอาบุญเอากุศลไว้ในใจมั่นคงบุญกุศลก็ น, นำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ เมื่อจิตนี่ละอุปทานความยึดปั้นถือมั่นในขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาดไปแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานมันก็มีเท่านี้ล่ะ ว, วิถีทางของจิตนี่นะพากันเข้าใจมันไม่ใช่มีอย่างอื่นนะแต่ที่ท่านแสดงมากมายกายกองนั้นนะ ก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นได้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นแล้วมาสอนจิตนี้ให้ปรงุงให้วางขันห้านี้อย่าให้มันสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราเป็นเขาอแล้วก็จะได้พ้นทุกขไปโดยลําดับเริ่มตั้งแต่พ้นจากทุกในอวัยวุมั้งสี่นี่แหละไปนะเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่ ถือมั่นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ขันห้านี่ไปทําบาปห้าประการนั่นเลยก็จะไปใช้ไปทําทําไมมันไม่ใช่ตัวตนนะนั่นเลยแต่เมื่อใช้ขันห้านี่ไปทําบาปผู้เสวยผลของบาปนั่นคือดวงจิตแบบนี้จิตที่มันฉลาดมันก็ไม่ได้ใช้ขันห้าไปทําบาปแบบนี้เพราะว่าทําลงไปแล้วตัวเองก็เป็นผู้เสวยทุกข์ขันห้ามันไม่ได้เสวยด้วยนี่ มันหมดเหตุไปจากมแล้วมันก็แตกดับทำลายลงไปอยู่พื้นดินนี้เท่านั้นเองนะนี่เรียกว่าการละอุปทานในขันห้าขั้นนี้นะพาให้ดวงจิตนพิพน์จากนรกอบายภูมิไปเอาทันละขันห้านี่ให้สูงขึ้นไปกว่านั้นละขันห้าส่วนละเอียดไปกว่านั้นไเอ่ ไปมันก็พ้นทุก์ไปโดยลำดับไปเลยอย่างนี้เลยทละให้ขาดโดยอำนาจแห่งปัญญายานอันวิเศษจริงๆแล้วก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้